<laughs> . <laughs> พึ่หอยสนุดีอดแล้วลำพึ้งหน่อยชิงชิมหาอรกินยงต้องกินลำพึ่งหนมันถูกใจมากตอนที่เราเป็นเด็ก a m i